ในครั้งนี้ก็มาป ร, ราลบเกี่ยวในเรื่องของพระพุทธคุณนะการคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าการศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกอัดทุกพ ย, ยัญชนะเนะี่ยบ่งบอกถึงการศึกษาในเรื่องของคุณของท่านทีนี้การศึกษาเรื่องคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ต้องเมือ่อ เมื่อศึกษาเป็นไปตามลำดับแล้วเนี่ยจะทาให้เราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้ามากขึ้นอย่าแปลกใจนะว่าทำไมการศึกษาคำสอนของเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีมันติดขัดในเรื่องของการไม่ค่อยเข้าถึงพระธรรมเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในเรื่องของพุทธคุณนั้นเลยมากก็จะไม่ไม่ค่อยชัดเจนเนั่นเอง ถ้าศึกษาในด้านของพุทธคุณไม่ชัดเจนก็เลยเป็นเหตุแห่งการที่จะเกิดความลึกซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยได้ไม่ชัดหรือได้ไม่ดีพอฉะนั้นตรงนี้นี่แหละท่านจึงพยายามเน้นตลอดเวลาให้สังเกตดูว่ า, วาพระคุณของพุทธเจ้าจะแผ่ประสอนกระจายไปทั่วชมพูทวีปแล้วก็ทั่วโลกนะ แล้วก็แผ่ไปจนถึงจารุมหาราชิกาเป็นต้นไปตามลําดับนู่นแหละจนถึงภระวักภูมิพระวักภูมิมีทั้งสามระดับเลยนะี้คุณชนภระวัคฆาสภาวะพระวักฆ า, รร า, กาแล้วก็อริยะพระวัคฆาในระดับต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่มีพุทธคุณอยู่ในใ จ, จิตใจกันทั้งนั้นนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงท่านเหล่านั้นมีความเข้าถึงคุณของพระพูมิมีพระภาคเจ้า ทีนี้ถ้ า, าหากว่าสังเกตจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออถ้ า, าหากว่าสังเกตให้ดีๆเนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือที่พุทธพจน์ก็ดีคําสอนของของพระบรมศา ส, รรสดาก็ดีที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยเนียในการสังเกตอคตะ หรืออักษรของพระธรม ร, รมคาสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเขาไว้เนี่ยนะท่านตั้งเป็นคาถาเขาไว้อกว่ า, าไไยักถายัตถ า, า, ายันตักคเรวินยูทัดเสตินาจะเสสเกตังตุอาทยันตสั่งเกตุง เ, ออเกตปังนะวินเยออยยงพันธวินยุนาที่ ตรงนี้ก็คือว่าวิธีสังเกตอักขระหรืออักษรของพุทธพจน์โดยท่านให้ข้อสังเกตไว้ดีที่บอกว่าในพันธะใดเนี่ยนะวินยูเนี่ยวินยูหมายถึงบันฑิตแสดงอักขระเบื้องต้นและอักขระที่สุดพุทธพจน์นจะมีอักขระตัวแรกกับอักขระตัวสุดท้ายและไม่แสดงอักขระที่เหลือ ก็พันธะนั้นท่านผู้รู้พันธะทั้งหลายก็ทราบว่าเป็นอาธยานต์สังเกตก็หมายความว่าคาถาเนี่ยเริ่มชี้แจงข้อที่ว่าด้วยการกําหนดอักขระเบื้องต้นและอักขระเบื้องปลายท่านให้กําหนดไว้บอกพันธะคือคาถาหรือคําที่ร้อยกองการรจนาแสดงอักขระเบื้องต้นและอักขระเบื้องปลายแต่ไม่แสดงอักขระอื่นไว้ก็ให้สังเกตอักขระเบื้องต้นและเบื้องปลายซึ่งผู้รู้ ความรู้ในพันธะก็ย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีท่านยยอุธาหอนบอกว่าทันตาปิติตกาอาธิเทศิตาปีวิซุงวิซุงเอเกเอเกกังอุทธริตวานะวิพชเชปฏิปาติย า, าพระไตรกิอกน้นมีอคละตัวอักเนี่ยเป็นตัวเบื้องต้นมีอคละตัวถานนี่เป็นที่สุด ก็คือพระเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยกล่าวคำว่าอ่นี่ก่อนแล้วก็คำว่าถามีสุดท้ายแล้วก็ไม่พูดอีกเลยเนี่ยนะแม้พู้ทรงพระพูมีาพาะปก็ทรงเทศนาไว้แผนกหนึ่งบัณฑิตก็ยกขึ้นแต่ละข้อก็จำแนกโดยลำดับนะฉะนั้นในการแสดงพระไตรปิฎกที่พระบรมศสาสดาทรงเทศน า, าไว้เนี่ยนะโดยอเนก ป, ปริยายนีมากมายนะ นั้นจะอนเนกปริยายมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะแสดงให้กับมนุษย์เทวดามารพรหรือน้ารือยากรอะไรต่างๆก็ได้แต่เนี่ยนะแม้แต่บ้อบายสัตว์นั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ตัวแรกก็ต้องอักขระตัวแรกก็อะกก็อ่างเนี่ยนะแล้วลงสุดท้ายก็ลงถังแต่หมายความว่าอันนี้หมายถึงปฐมพุทธวจนะกับปัจฉิมว่าพุ ท, พทธวจ น, นะเนี่ยที่ต่้งโดย อคระก็หมายถึงพุทธดำ ร, ร, รัตที่พระบรมศาสดาตรัสบอกว่าตรัสอคละได้แก่พระพุทธดำ ร, รัตที่บอกว่าอนเนกชาติสังสารังสันดาวิสั ง, งนิพิสังขาหากาลังเขเวสันโตดุกขาชาติปุนาปุนัง คาหาการคทิทโทสีปุนักเคหังนักอาศสัพเพสัพพาเตพาสุกาภาคาคากูตังวิสังคตังวิสังคาราคตังจิตังตันหานังขยมัชคาเนี่ยบอกว่าเราเที่ยวค้นหาตันหา ที่เป็นตัวสร้างเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบจําต้องท่องเที่ยวบไปแล้ว่าเราเที่ยวค้นหาตัณหาคือเที่ยวค้นหากรมตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาเที่ยวค้นหารูปปัตนหาสัตตัตหาคันธตัณหาระสะตัณหาโพธิตัณหาแล้วก็ธรรมตัณหา เราเที่ยวค้นหาตัณหาหกเนี่ยนะตัณหาสามที่เป็นไปการลมหกก็เป็นเท่าไหร่หกสามสิบปดใช่ไหมในอัตภาพของตนเองก็สิบแปดในอัตภาพของบุคคลอื่นก็สิบแปดรวมเป็นสามสิบหในตัณหาสามโกที่เป็นไปในอัตภาพตนและบุคคลอื่นในส่วนที่เป็นปัจจุบัน สามสิบหกในส่วนที่เป็นอนดีตอีกสามสิบหกในส่วนที่เป็นอนาคตอีกสามสิบหกรวมเบ็ดเสร็จก็คือเราเนี่ยค้นหาตัณหาเนี่ยร้อยแปดเนี่ยนะไอ้นี่ได้บันทึกเืออย่างนี้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้กดบันทึกต้องดูเลยกดแล้วเลยทไมไม่วิ่งเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ย เรานั้นเที่ยวค้นหาตัณหาที่เป็นตัวสร้างเรือนกือัตภาพเรือนกืออัตภาพในที่นั้นคือตัณหาสร้างอะไรตัณหานั้นก็สร้างรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันตัณหานั้นสร้างอะไรสร้างจักขวายตนะรูปายตนะโสตายตนะศรัทธายตนะคานายตนะคันทายตนะใช่ไหมคิวหายตนะราษายตนะกายายตนะปวดทะพายตนะ แล้วก็มน า, นาฑยตนะก็ทำมายตนะฉะนั้นตัณหาเนมันสร้างอะไรสร้างขันห้าสร้างอายตนะสิบสองสร้างท่าสิบแปดใช่ไหมก็คือมันสร้างตัวสังสารวัตทีตัณหาที่จะสร้างสังสารวัตรได้นั้นตัณหาต้องเกิดร่วมกับอะไรร่วมกับกรรมจะร่วมกับอ ว, วิชชาใช่ไหม เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุปาทานาสัเนี่ยที่ตามมันตั้หาแล้วที่ถีบเข้าไปติดยึดไว้โดยความเป็นผลเนี่ยก็หมายความบอกว่านี่ไงตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารมียาณกายกระจใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยตั้หามันสร้างแล้วมันยึดว่าเป็นผลของมันเมื่อมันยึดไวาเดยความเป็นผลของเขาแล้วเนี่ยยึดยึดไว้โดยความเป็นผลของเขาไปเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆเขาก็ ในที่สุดจริงๆเขาก็จะทําให้ขันนั้นนี่ยยืดยาวต่อไปเพราะเขาเป็นตัวสร้างฉะนั้นพรอบรมศาสดาบอกว่าเราเที่ยวค้นหากันหเที่ยวมาเท่าไหร่ยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยสแสนแบบนั่นแหละคือเที่ยวค้นหาไอ้หาตัวสร้างเนี่ยหาตัวสร้างตาหูจมูกนิ้วกายใจเนี่ยหัวตัวหาตัวสร้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ะทัมอารมณ์เนี่ย หาตัวสร้างจากขูยยานโซตัดยานทานะยานชิวหายานกายแยกยานแล้วก็มโนยานเนี่ยหาตัวสร้างจากขูยสัมผัสยานโซตัดสัมผัสทานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายแยสัมผัสแล้วก็มโนสัมผัสหาตัวสร้างอะไรจากขูยสัมผัสสชาเวทนาโสตัดสัมผัสสชาเวทนาทานะสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนาแล้วก็กายมโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้น คะตัวสร้างขันธาตุอายตนะที่มันสื่อต่อพบน้อยพบใหญ่พบต่อพบขันต่อขันเนี่ยทําไมต้องหาทําไมต้องหาตัวสร้างเพราะไอ้ตัวสร้างเนี่ยคือตัณหาเนี่ยมันทําให้เจ็บปวดถ้าว่ามีตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยแล้วมันเป็นทุกข์กันไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไมอ้ตัณหาบวกกรรมและบวกอวิชชาคือความไม่รู้ทั้งหลายเนี่ย พระพุทธเจ้าบอ ก, กเราเที่ยวเนี่ยเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เที่ยวแบบเพลิพนๆนะเที่ยวแสวงหามันผิดกับเราเที่ยวใช่ไหมในสังสารวัตที่ผ่านมาเราไม่ได้เที่ยวหาเราไม่ได้เที่ยวเที Michaels, ่ยวหาสัมมาสัมปวิยานมาได้มาเราไม่ได้เที่ยวค้นหาใช่ไหมเราไม่ได้เที่ยวเราไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาสัมมาสัมปวิยานก็ไว้ไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาพรเจ้าพโทธิยานก็ไว้ ไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาสาวกาโพธิญาณก็ว่าถ้าเราไม่ตั้งจิตปรารถนาพุทธะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราจะหาตัณหาไม่พบเราจะหาไม่พบใช่ไหมท่านถึงบอกว่าเราเที่ยวค้นหาตัณหาเนี่ยคือการมาตัณหาเพราะวตัณหาวิภาวตัณหาเนี่ยยาวนานแล้วทีนี้ตัวนี้เป็นตัวสร้างเรือน สร้างเรือนคือสร้างอัตภาพอัตภาพคือตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหมนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยถามบ อ, อกว่าการมีตาหูจมูกเล่นกายใจเนะี่ยมันเป็นความเจ็บปวดไหมเป็นไม่เป็นเห็น ไ, ไหมจริงๆนะ่ยมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นความทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งของความเกิดของความแก่ของความเจ็บของความตายของโรคของความวิบัติพัดพลาดเป็นต้น ฉะนั้นไอ้ปัญหาทั้งหลายนี่แหละมันจึงเป็นที่ตั้งของชาติทุกช ร, ทกราทุกมรณะทุกโสกกาลิเดวะทุกกระโทมนาาัสสารและก็อุปาญาติแต่สัตว์โลกน่นไม่เข้าใจรู้ไหมทุกรู้รู้ไหมว่าจะออกจากไงไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมแต่พระร aja เนี่ยเที่ยวค้นหาพระองค์เนี่ยตอนเป็นพระโรธิสัตว์ทีพระองค์รู้แล้วพระองค์เป็นคนฉลาดเนี่ยนะ เป็นพระโพธิสั์ท่านก็รู้ว่ามันจะเนี่ยเราจะหามันยังไงจะดับมันยังไงตัวเหตุเกิดของอัตภาพทั้งหลายเนี่ยมันดับไม่ได้มันลักแม้ทีนี้พวกเราไม่เคยคิดข้อนั้นกันเย่ะไหมอย่างนี้เกิดมาในปัจจุบันอีกคิดเรื่องอะไรอ่ะวันวันหนึ่งคิดเรื่องอะไรคิดเออจะทําอะไรป่วยก็รักษาอยู่แค่เนี้ยอจะทําอะไรดีจะทําให้ตนวเอง ได้อยู่ดีกินดีหน่อยอย่างเงี้ยนะจริงัหมแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวพอยาปว่วยเจ็บไข้ก็เข้าโรงพยาบาลมีปัญหาก็ทํางานทําการก็เลี้ยงดูแลซึ่งกันและกันไปแล้วก็ตายไปตายไปตายไปมันก็เกิดใหม่ตายก็เกิดแล้วก็ไม่รู้อีกเพราะโมหะมันปิดโมหะมันปิดโมหะมันบงังเอาไว้อันนี้วันวันหนึ่งเราเที่ยววิ่งไปนู่นมานี่เที่ยววิ่งไปนู่เไปไปนเราเห็นไหม เราเห็นความเกิดมันเป็นทุกข์เราเห็นความแก่เป็นทุกข์เราเห็นเห็นต้องความเจ็บข้าเป็นทุกข์จริงๆมั้ยคือเห็นจนถึงขนาดว่าเราจะไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยไอการปลกเราความคิดบอกว่าออกจากการเกิดเก็นสัทีเธอเนี่ยพระพุทธเจ้าปลกเร้าวันนั้นใช่ไหมแต่พอกระแสรพระธรรมของพระพุทธเจ้าเริ่มผ่อนคลายไปตอนที่พระองค์ พระองค์ทรงเสร็จกลับการได้บริญญาตอนนั้นก็ยังมีกระแสดันอยู่อยู่ไหมก็กระจรกระจายอยู่แต่ลถโทนดังลงมาเรื่อยเสียงพุทธคุณทั้งหลายเสียงธรรมคุณเสียงสังฆคุณทั้งหลายเนี่ยจํานวนเริ่มลดลงลดลงลดลงในปัจจุบันเนี่ยลดลงจนในห้องใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีคุณพุทเจ้าเหลืออยู่แล้วบางขนานเนี่ยก็ยสังเกตไหแล่ะ มันมีแต่วัตถุ ก, กามมีแต่เรื่องการมาคุณทั้งนั้นเลยตัวเนี้ยจะทํากันยังไงยอมมีเนี่ยมันไปขนาดนั้นแล้วจะทากันยังไงเนี่ยใช่ไหมในใจเริ่มจะไม่เห็นคุณของพระเจ้าแล้วเริ่มจะลดลงลดลงลดลงนา่าเข้น่ํามึดสนิททแล้วก็จะปิดประตูอีกยาวนานเลยแสงเทียนในใจไม่ส่องขึ้นมาเลยแล้วทํากันยังไงตัเนี้ย พอเราทำท่าจะมาทำท่าจิตจุดหน่อยก็ไปดับซะอีกแล้วทำท่าจิตจุดหน่อยก็ไปดับซะอีกแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยใช่ไหมเรื่องพิธานี่ไม่มีเร็วๆไวๆเลยอะเรื่องคำสอนเนี่ยถ้าลองเรื่องวัตถุกรรมดีเนี่ยลองดิมีท่อจิ้มก็มาดิลองดูดิไฟไม่บ้านหยตาเลือกเลยเนี่ยออกไปทันทีเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่นี่รู้เลยเนี่ย สมัยอย่างที่ว่านามบลิกาบักสามี่ลูกตายมันในสงครามหมดแล้วนางนางัง่งฟังทำเฉยเนะี่ยทําได้นะหรือเศรษฐีท่านหนึงนะ่งเนี่ยว่าตอนนี้ก็าขนซาไปครึ่งบ้านแล้วทก็นั่งฟังเฉยลองทําดูบ้างถึงท่านเหน่อย ใ, ใจเนี่ยนะลองลองวางให้ได้อย่างนั้นดูเอนั่นแหละไึ่อยารู้ว่าอยู่ห้องของพระตะคุณมันเต็ม บางทีเราก็ฟังทำอแล้วยังเปิดโทรศัพท์เลยใช่ไหมนั่นบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยเราห่วงวัตถุกามมันห่ ว, หวงวัตถุกามมากกว่าพระพุทธคุณเนี่ยก็ใจเป็นแบบนี้แล้ววะไม่จะทําไงเนี่ยใจไม่มาตังพระพุทธเจ้าแล้วไปวัตถุกามหมดแล้วยังไม่รู้ตัวอีกไปหมดแล้วทีนี้เมื่อไปหมดแล้วเนี่ยเราทําไง แล้วก็กลายเป็นคนประเทศที่อ่อนแอมากถ้าเรามีลูกสักคนที่เขาอ่อนแอมากๆนี่นะอ่อนแอยัองไงรู้ไหมให้เรียนแล้วเขาเกยะเขาไปในเรื่องเกมากที่สุดเขาไม่เอาเรื่องเอาลาเลยเลยถามว่าจะทุกข์ใจไหมถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ดีนะพระเจ้าหมดกิเลสแล้วใช่ไหมพระเจ้าการุณาแต่พ่อแม่ที่ยังมีกิเลสก็โอ้โหต้องเป็นห่วงต้องสงสารลูก ว่าลูกคนนี้มันแย่แน่ๆเพราะมันไม่ศึกษาเราเรียนแล้วชีวิตมันจะอยู่อย่างไรเธอตายไปแล้วเนี่ยต้องคิดดูเพราะปรมาสสดาวถ้าเราป ร, รินิพานไปแล้วเธอจะอยู่กันยังไงเพระธรรมที่ให้ไว้เธอก็ไม่เข้าใจเธอก็ไม่พลิกมาศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจั ง, จ ง, จ ง, จ ง, จงเธอก็อยากวิ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสังสารวัตนี่แหละ ต้องคิดดูพระมหากรุณาที่คุณของพระเจ้าต้องยืดอายกของตัเองอยู่สี่สิบห้าปีในการที่จะไม่บรินิพานนยเพราะอะไรรนะู้ไหมนั่นแหละพระมหากรุณาที่คุณที่เต็มเตี่ยมแต่พวกเราก็ไม่รู้พวกเราก็เรียกมีอะไ ร, ร, ร, ม, ะไรมีอริยะรามาเป็นผู้มีตัณหาเป็นที่มาของความยินดีนะคือเรายินดีในว่าถูกกรรมเนี่ยกับมีกิเลสกามมันยินดีแบบนี้หมดแล้ว ใช่ไหมพระเจ้าทำไมคนฝ่ายเนอะไม่รงแสดงทางเออถ้าไปดูในคัมภีรวันก่อนเนี่ยดูแล้วทำให้คิดนี่นะที่บอกว่าสมัยที่พระบรมศาสดาตรัสรูปทับอยู่ที่ต้นอัชชาป ร, ราณิโคตแถบฝั่งแม่น้ำเนรัญชาดาอุรุเวราประเทศ จะไปมาแล้วนี่ไอุรุเวลาประเทศก็คือสถานที่ตัดสรุปตอนนั้นตัดสรุปเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาประทับอยู่ที่ตรงนี้แหละหลังจากสวยวิืิสุขแล้วเนี่ยก็ประทับที่ต้นอัชชาปรณิโคตครั้งนั้นนะ่ความปริวิตกใน้าคอาไัยของพุรุมศาสดาก็เสด็จเข้าที่รับทรงปรีกเนี่ยนะก็ไปใข้ครควร พิจารณาอยู่ว่าธรรมที่เราตัทรู้นี่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามนัยากสงบประนีตคาดทะเนีเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตเอาสิหมู่สัตว์นี่แลยังยังยินดีด้วยอะไรยินดีด้วยยินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรเห็นไหมยินดีด้วยอะไรยินดีแล้วในอะไรปัจจุบันในยินดีด้วยอะไรนะแล้วก็ ในอดีต่าง ๆ, ๆที่ผ่านมาหรือว่าในอนาคตต่างๆนี้นนที่เจอก็จะไปยินดีในอะไรคือยินดีอย่างยิ่งนะเบิกบานด้วยถ้าได้วัตถุ ก, กรรมชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาจะเบิกบานมากเช่นได้ตาละโคมตาหลานนี่สวยเลืล่องๆตาลูกนี่สวยเลืล่องๆเนี่ยนะเขาจะยินดีเบิกบานเลยถามว่ามีคนโทรกลิ้ง่าบอกว่าไม่รู้ใครเอาเอาเอ า, เอาเงินทิ้งไว้หน้าบา้านร้านดีใจมาก เขาบอกบริจาคให้เขียนใจดีใจมากถ้าบอกนี้เขียนบอกว่าเชิญศึกษาก็ทำเจ็ดวันเจ็ดคืนอันนี้ดีใจมากบอกก่าเขาะมุมเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนัน่นนั่นน่คือถัดยินดีด้วยอะไรอีกแล้วเบิดบาลต่า ง, งกันใช่ไหมโอ้โหชว่าานได้ไงต้องเจ็ดวันเจ็ดคืนใช่ไห จริงวะเรามีทหารเรามีวัตถุกรรมจะต้องดูแลเยอะเรายังติดวัตถุกรรมอยู่เราไปไม่ได้จะจะไปเป้าไปเจ้าบอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราไปไม่ได้เพราะเรามีวัตถุกรรมนี้ต้องดูแลใช่ไหมเรามีตาหูาจมูกเล่นกายใจตั้งหลายตั้งหลายคู่ที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหม ตาในบ้านอย่ก็เต็มไม่หมดทั้งตา ม, มนุษย์ตาสัตว์เดรัจฉานเป็นห่วงต้องเลี้ยงมันมองเห็นไว้นเนี่ยยินดีขนาดนั้นเลยเนะและยังสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอีกแหละสังขารที่มีใจครองก็ต้องรู้แล้วและสังขารที่ไม่มีใจครองทั้งหลายก็บ้านก็ดีสวนก็ดีพืชผักธัญญาหารเป็นต้นก็ดีใช่ไหมว่าถูกเครื่องใช้ทั้งหลายเยอะแยะหมดที่เราต้องดูแลต้องเราต้องปกครองจะทํทำยังไง เราไปแล้วใครจะดูแลนี่กลับมาก็ลบต้องมาเจ็บต้องมากว่าดนี่มันเป็นอย่างนี้ใครไปได้ยังโล่งใจไหมเหอ้าไปแล้วไปเสร็จจะไม่ห่วงอะไรเอาอนเลยไปหน้าไม่ห่วงหลังเลยทำได้ไั้มไม่ยากเลยใช่ั้ยไม่ง่ายเลยใช่ั้ยแต่วิญยู่ชนทั้งหลายนะาไไไากท็ทำอย่างนี้แหละทำกันเยตาทำยาก เราไปนั่งวิจัยด้วยคิดเจรนาวิจะเห็นแล้วโอ้โหแล้วต้องหายใจยาวเลยใช่ไ้ยบอกโอ้โหเลยเนะนี่ยคือธรรมะที่จะออกจากวตาเนี่ยเขาคิดแบบนี้ใหม่ใหม่ใหม่อาจารย์เเกงใจเมื่อก้ก็กพูดเลยอย่างนี้เดี๋ยวนี้เวลาเหลือน้อยใช่ไม้มโดยเฉพาทั้งผู้พูดทัง้งผู้ฟังเนี่ยต่างคนต่างเหลือน้อยหมดเลยเนี่ย แล้วไม่รู้เลยว่าจะไปกันเมื่อไรเนี่ยพอไปนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะกลับมาเจอกันอีกเปล่าก็ไม่รู้นอนอยังหวาดเสียวอยู่เลยตนอนเนี้ยจะจะลกได้หรือเปล่าวั น, นเนี้ยคืนนี้ยขนาดนั้นเลยเดียนะ๋ยวนี้ยจะลุกได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพอาะมันนั่งเป็นเรื่องที่พอพอจะหลับฮะงั้นพอพอจะหลับตาลงปุ๊บเนี่ยแล้วคนนี้ นึกว่าเี๊จะมีโอกาสตื่นขึ้นมาหรือเปล่างึกอย่างนั้นทุกวันจริงๆริเอ๊ะแล้วอ่ะถ้าม่มีโอกาสตื่นมาแล้วตอนนี้ละกุศลมันเดินอยู่ไหมใจมันเป็นไปกิดกุศลไหมเพราะเห็นเนีคนนอนปั๊บแล้วก็ลุกไม่ได้วิตามาินพาสก็เยอะเดี๋ยวนี้นอนไม่กล้าล็อกประตูเนี่ยกลั <c oughs> วเขาจะมาทําลายของสมของอะไรเปิดเตาวปิดตัวเวหม่ยถึงกังวน ข้างล่างก็แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเวลาเวลาหลักกลับไปเนี่ยไม่มีไม่มีนิมิตหมายบ่งบอกอะไรเลยว่าเราจะได้ตื่นคิดอย่างนั้นนีิไม่มีนิมิตอะไรให้เรารู้เรื่องเลยเลยว่าเราจะอยู่ได้อีกวันอีกวั น, นมันขนาดนั้นแล้วในชะีวิตตอนเนี้ยไม่รู้ใครคิดแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่คิดอย่างนั้นจริงจริง นั้นต้องรีบสามสามสามยายไม่มีกังวลแต่ละวันแต่ละวันตอนนี้กังวลยา้มันมียามันมีอะไรมากเพราะสิ่งที่เราอะไรมันจะเป็นอารมณ์ก่อนตายของเราใช่ไหมก็เลยต้องสามแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาความแน่นอนไม่ได้เลยกับขันขันไม่รู้จะวิบัติไม่รู้จะไปแตกตับไม่รู้มันจะจิตติเมื่อไหร่ ่เวลาจะหลับตาแต่ละคันมันมีเแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยวันนี้ได้เจริญกุศละอะไรเออบารมีอะไรบ้างที่ได้หวานลงไปในเป็นอัธยาศัยทานได้ไหมศีลได้ไหมเนคขันธ์ได้ไหมปัญญาได้ไหมวิริยะได้ไหมคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาไม่ได้ไหมที่จะขัดเกาอัตถยาสัยคือขัดเกาวาาไม่โลภเราจะใช้ทานขัดเกาวามไม่โลภอย่างไร ใช้ศีลใช้ขันติใช้เมตตาขัดเกลา ว, วามไม่โกรธได้อย่างไรนะไหมแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยในการจะขัดเกลาวความความหลงได้อย่างไรใช่ขัดเกลาให้ความหลงมันมากหมดลงหมดลงให้ความไม่หลงมันมากขึ้นจะใช้วิริยะเป็นต้นเหล่านี้ในการที่จะขัดเกลาทำให้เราเห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏได้อย่างไรเป็นต้นใช่ไหม เออแล้วเราจะพิจารณาไงเนตขมมะจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การวิเวกากัตยาสัยชาสยะเราจะใช้วิเวขาในการกัตถะมคิดนิ่นอยู่เนี้ยถ้าอย่างนั้นมันก็ถ้าไม่เพียนอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ออกแล้วเมื่อไหร่แล้วเราจะพ้นทุกข์มันทรมานนะการออกมาแบกตาหัวจมูกลิ้นกายใจวิ่งท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่เนี้ย ถ้มาแบกตาหูจมูกเล่นกายใจที่อยู่ในสถานะที่เหมาะที่สมก็เพราะว่าใช่ไมอมบางทีมันไม่ได้มีเหมาะสมเรงคิดถึงอดีตกั น, กนที่นั่งนั่อยู่เนี่ยแต่ละคนเจ็บปวดแค่ไหนแล้วเจ็บปวดแค่นั้นที่ามาเล่าเนะ่ยคือส่วนหนึ่งของความสุขแต่จริงๆนะมันทุกข์การทํามาให้กินตอนนั้นเนี่ยลองคิดดูแต่ขนาดจิตที่เราทุกข์เรากังวลขนาดไหนไหนลูกไหนตนเองไหนสามีภรรยาไหน เป็นต้นเราเนี้ยนะในยากมิดเราจะทำยังไงเนี่ยเออเราจะมีทรพัพยาอะไรแ่้งต่างๆัวเนี้ยแันแสนจะทรมานเนะี่ยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนั้นเจ็บก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยเออชีวิตมันมันดูเหมือนมันจะสุขแต่มันไม่สุขไงฉะนั้นตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายยินดีแล้วในะายเบิก บ, บานแล้วในะายจะพึงเห็นได้ยาก แม้ฐานะก็เห็นได้ยากและธรรมที่เป็นที่ระนาดสงการทั้งพวงก็เห็นได้ยากฐานะเนี่ยธรรมที่สละอุป ธ, ธิทั้งพวงธรรมที่เป็นทิสิ้นต่างหาธรรมที่สมรอบต่าหาพระนิพพานก็ถ้าจะพึงเราจะพึ ง, พงสแสดงธรรมแต่ชนเราอื่นจะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราพระเจ้าบอกว่าถ้าพราะองค์จะแสดงธรรมเนี่ยถ้าจาะแสดงธรรมเนี่ยนะ มันเป็นความเหนื่อยเนี่ยไอการเหนื่อยมีสารจุดเนี่ยกายเหนื่อยวาจาก็เหนื่อยได้ขยับขึ้นขยับลงเนี่ยแล้วก็ใจก็เหนื่อยแต่พระพุทธเจ้าใจไม่เหนื่อยหรอกไม่ผิดกับบุรุชนใจของพระองค์ไม่ได้ท้อใจไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอลไรหรอกแต่กายกันเหนื่อยแล้ววาจาที่ขยับแสดงทำอย่างปริมาณอย่างมากมายเหนื่อยหน้าปากขึ้นหน้าปากลองไปลองไปทําโดยเที่ยหลายชั่วโมงลองทำโดยเที่ยวเหนื่อยไหม เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยใช่ไหมต้วพูดเป็นวันพูดได้ไมั้ยต้อพูดสักสิบสิบชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะในการขยับปากขึ้นปากลงเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันไม่สนุกหรอกใช่ไหมเ <c oughs> ขาหวังผลนะที่พูดเนะี่ยเขาหวังผลใช่ไหมไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปขยับขยับไปแล้วสัดก็ไม่รู้อะไรนี่ขยับทําไมยกเคลื่อนไว รูปรขันไปเนี่ยแต่ศาตร์ก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นความเหนื่อยของเราเพราะมันเหนื่อยจริงใช่ไหมเหนื่อยสมมติว่าเรามีลูกคนนึงลูกมันดื้อมากแต่มันลูกอะ่ะไม่สอนก็ไม่ได้แต่ไปสอนก็เหนื่อยไอเราสามเหนื่อยเลยใจยก็เหนื่อยกายก็เหนื่อยวาจาก็เหนื่อยไม่รู้จะพูดยังไงพูดซ้ายไปขวาพูดขวาไปซ้ายบอกมันอย่าไป ไงพูดพูดไปตรงๆ่ยมันก็ไปเฉียฉายไปด้วยสรุปแล้วก็คือสิทธิทเนี่ยก็เหมือนที่เขาเอาแมวเอาเนี่ยแมวดื้อสีด้านเน่ยก็เห็นแมวดื้อสีด้านแมวเนี่ยพอดึงดึงหางมันก็เกาะมันไม่ไม่ยใช่ไหมดึงหัวมันก็ย่นตัวดึงขึ้นข้างบนมันก็เกาะพื้น ง, งอเนี่ยมันกล่องดึงลงมันกล่องตัวขึ้นเข้า แต่ก่อนเด้วพ่อว่าเดีวมาิงไอ้เดไม่ใช่ว่าว่าว่าว่าว่ า, วาน้องอีกคนมันดื้ออยู่บ้แมวจะเออดื้อไงดื้อแมวพ่อคิดได้ไงงานก็ถามแล้าแกนั่นย่งดีปกติทา ง, งานใช่พ่อแมวมันดื้อ ไปดึงมึงลองไปดึงใช้ใช้ใส่หลักมันลอไปดึงดึงลงลามันโกลงตัวคือมึงหมดดึงลราไปดึงก็จริงๆริด้วยต้องดึงแมวดึงหางมันก็ย่นย่นเออแมวที่อสีแดงแมื้อสีแดงอ๋อถ้าเจอลูกอย่างนี้นะแล้วก็ปรมาศสดาได้ท่านรู้อธิยาสายสัตว์สัตวเป็นผู้อ๋ายินดีในอะไรท่ำไงออกไม่ได้ใช่ไหม ตัเนี้คือควนกวายน้อบัดนี้เราไม่ควรประกาศทำที่เราตัดสู้ที่เห็นได้โดยยาทำนี้เราสัตว์ผู้ถูกราคะโทสัตรครอบงำแล้วคือหมายความบอกว่าเราสัตว์นี่นะเราสัตว์ผู้ถูกราคะครอบงำถูกโทสัตรครอบงำถูกโมหะครอบงำจะตัดสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมจะตัดสู้เป็นประโสดาบันสกาธานาคาเป็นผ้าถังไม่งา่าย เราสัตว์พู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกกองเห็นความมืดหุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมอันทนกระแสถามว่าพระธรรมก็คือพระนิพพา น, นทวนกระแสชาติทุกไหมคือเอานี้นะทนกระแสรจริงนะเช่นการเกิดเนี่ยใช่ไหมพระนิพพานพ้นจากการเกิดความแก่เนี่ยนิพพานพ้นจากความแก่ความป่วยไข้ทั้งหลายนิพพานไม่มีความป่วยไข้นี่นะความตายเนี่ยนิพพานไม่มีความตายอย่างเงี้ย ความโศวความลำลายลําบันไม่สบายกายไม่สบายใจความทักแค้นใจนิพพานคือสิ่งที่ทวนสิ่งเหล่านี้หมดเลยคือไม่มีสิ่งเหล่านี้ยก็มานั่งนะนั่งคิดเราจะเอาไหมเกิดแก่เจ็บบอกเอาเกิดอย่างเดียวแล้วไม่เอาไม่เอาเจ็บได้ไ้ยไม่ได้เอาสิเพราะอการเกิดมาปุ๊บมันบ่งบอกว่าชลาและพยาธิมันปักแน่นในขันนั้นแล้ว มันอาไม่ได้ใช่ไหมแปลว่ามันต้องต้องต้องรับต้องรับสภาพมันทีนี้มันรับแบบจำนนแล้วไม่ยอมไม่ยอมคิดเคยเป็นทาสนีสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยความเป็นทาสประหลาดแท้คนไม่อยากออกจากความเป็นทาสตอนรัชกาลที่ห้าเห็นไหมประกาศเลิกทาสนี่ยากที่สุดยากมาก เพราะคนไม่อยากออกจากความเป็นธาตเพราะมันเป็นธาตถาวรมานานแล้วเป็นธาตของความถาวรมานานแล้วเหมือนติดพุกที่อยากออกจากพุกแล้วใช่ไหมงั้นตอนนี้พวกเราท่านทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายมันติดจากวัดติดในวัดตักไม่ยินดีจะออกจากวัดตักเป็นธาตุงตันหาเม อ, อเป็นธาตของตันหาเสรแล้วต้องไงเนี่ยมันก็ต้อง กระเสือกระสนออกมามามามาไข้ควรรูก่อนว่าเออใช่ไหมว่าตัณหาในที่เราเป็นทาสมันยังยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยแล้วมันผู้สร้างอาจจะภาพให้เราต้องเสวยชาติทุกชราทุกพยาธิทุกโมดวนะทุกอยู่ร่างไปเนี่ยเรายังอยากจะเป็นทาสมันอยู่ไหมทุกวันนี้เรามาประกาศอิสรภาพกันแล้วนั่นเนี่ยข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเนี่ยนะ ข้าพเจ้าเป็นทาตของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาตของพระสงฆ์ในส่วนมนต์ธรรมที่นั่นอยนั้นๆด้วประกาศและประกาศก็ไม่ก็กระทับใจเท่าไหรนะ่ใช่ไหมประกาศจริงอะ่ะถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนพระองค์จะตั้งสติสัมปชัญญะกับพวกเราประเภทไหนรู้ไหมพระองค์จะมีสติสัมปชัญญะพร้อมกับฉลังผู้เปียคาทีไม่ปฏิเสธมันนะ ไม่พิจิตรมนักับเราเลยใช่ไหมพระเจ้าจะตั้งสติประเภทนี้แหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นฉลังกุเปขาเพราะสังขารนี้อ่กล่าวสักว่าเป็นธาตุอย่างนั้นแหละเป็นธาตุของเราอย่างนั้นหละแต่กลับไปเขาก็ไปยินดีที่จะเป็นธาตุของตัณหารพราเจ้าจะฉลังกุเปขาทันทีอุเปขาในอารมณ์หกทันทีบอกโอ้เธอยังมีนะยังมาประกาศว่าไงทั้ทงทั้งที่ใจไม่สู้ ใจไม่สู้แล้วถ้ามองดูตาเนี่ยถ้าภาษานักกีฬานี่ยก็เรียกตาลอยแล้วตารอยแล้วครับเพราะเพศที่เอาผ้าโบกนี่ไม่เห็นแล้วนนเนี่ยเอามือโบอกเขาจะโบกนเะพราะพวกนักกีฬาทั้งหลายว่าสู้หรือไม่สู้ไหวหรือไม่ไหวตอนสมัยก่อนอาจารย์เป็นนักกีฬานี่เขามาโบกดูนี่ตาเลยรอยก็ก็บอกเลยตามั็นลอยก็ากายาจารยไ์ไปแข่งกับเขาเนี่แล้วแข่งแข่งแข่งแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยจาก พรเหนื่อยเหนื่อยจัดเล้าก็ไอ้พวกกรรมการเขามาโบกดูเขาเลยยกยกย ก, ยกแพ้ใจปาไอหัวเราก็ะองอกสู้นะเราบอกสู้สู้ออกเพราะอะไรเลม้ยเราโกหกไอคนคอ ย, ยคุมเราอีกทีอ่ะใช่ไหมพวกที่เทนเนอร์พวกที่คอยคุมเราถ้าเราเพราะมันบอกให้เราสู้แต่เราสู้ไม่ไหว เราน่านสู้ไม่ไหวแล้วแล้วมองมองมาข้างล่างมันให้เราสู้แต่ใจเราจะขาดอยู่แล้วเคยเป็นไหมล่ะใจจะขาดอยากจะนอนใจจะขาดจริงๆเนี่ยถ้าเคยเป็นนักกีฬาอยู่รู้เหนื่อยแสนเหนื่อยทีนี้ไอคนข้างล่างมาบอกสู้โง่สิว่ากเสียไปเยอะแล้วแล้วไงไหมไอเราก็สงบสู้ไอนี่พวกบรรดาคนที่คอยตัดสินทั้งหลายก็คอยดู เขาจะสังเกตใช้มือตาตามันไม่เกี่งตามืออันนี้ก็ตาลอย <c oughs> เขาก็บกผ้าแล้วโยมผ้าเนี่ยก็บอกผ้าบอกบกมือแลว้วบอกว่าไม่ไหวนะเยอะไหมแล้วบอกข้าพเจ้าเป็นท่านของพระเจ้าก็ไม่ดูตาด้วยทีเหม่งเราจริงไหมมันไม่ตาลอยแล้วเยอะไหมเนี่ยาตาลอยนั่งตาลอยอยู่เนี่ยไม่เอาเลยเนี่ย เอาแล้วหมอท่านพูไปที่ท่านปกและดมไปที่ท ว, ว่าไงท่านปกลัมไปเอยแต่ยองไม่เอาล็อกยากนี่เป็นอย่างนี้นี่โอ้โหไม่ไม่ง่ายเลยนะท่านจะบอกว่าบางครั้งเราก็ปักกาแต่ก็ยังดี ที่เราบอกว่าเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมที่แพ้เนี่ยเพราะกรรมการไม่จับแพ้เราก็จะได้ไม่โทษตัวเองแต่ที่จริงอัวใจข้างในเราไม่เอาแล้วเราเป็นนั่งจับคอจับเข่าคุยกันดูนะถามจริงอนะมันอยากพ้นทุกตลอดเวลาไปเนี่ยเขาจะพูดอีกอย่างเลยนะเขาบอกไม่เราเขายังมีภาร ะ, ะอีกเยอะ บางทีเนี่ยมันเป็นปัญญาโอ้โหเพราะมันต้องมีภาระมันจะทํำยังไงก็มันต้องมีมันจะทํายังไงมันมีภาระก็ว่านี่ยัไงที่พระเจ้ารู้บอกว่าศาสตร์ต้งหลายเลยยินดีแล้วในอะไรใช่ไหมแล้วสิ่งเหล่านี้มันมาสร้างใหม่แล้วมาเก็บภาระกันใหม่แล้วก็ไปทบไหนก็ไปสร้างแล้วมันทําเสร็จไหมแล้วมันก็ไม่เสร็จสักทีเลยอะ การงานที่เราทํากันไว้ทั้งหลายเนี่ยค้างค้างหมดเลยเป็นนาคุลาหมดแล้ว<พ>มเอมเอเป็นนาคุลาหมดแล้วพุทธเจ้าบอกอย่าทาการงานที่ค้างค้างก็หมายถึงทํากิจให้เสร็จถ้าอถฏฐรู้จริงๆนะทำกิจสิบหกอะกิจในอริยสัจให้เสร็จแต่ยัยมันค้างถ้าค้างมันจะไปเกิดเราก็มาเรียนมงคลงกันแบบธรรมดากันอยู่นี่แหละ เรียนมงคลมัไม่เกีเรียนมงคลกันเลยการงานไม่ข้างค้างมันก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกเนะใช่ไหมการทำการงานแบบไม่ข้างค้างทั้งหลายก็ถูกเนื้อพื้นฐานเลยทั่วๆไปเนี่ยแต่ลึกๆจริงๆนั่นแหละงานกล่าวคือการทำอริยสัจนี่ยกำหนดรอบรู้ทุกขสัจลาสมุทรยศจ่าทำนิโรธทาแจ้งเนี่ยแล้วก็อบรมอริมาร์กเนี่ยน่สูงจริงๆต้องหมายถึงตัวนั้นทำไมเราเรียนมงคลกันแปลมงคลกันจบไปไม่รู้เท่าไหร่พัดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตอนนี้ ต้องไปนั่งด้ยต้องไปถามผู้เรียนมงคลบางทีปทศสามปทศสี่ปทศสี่ปทศห้าปทแปมงคลเปนใช่ไหมแปดเราไม่รู้ทายอไรเรื่อมงคลจริงๆกระทานทา น, ทา น, นั้นไม่ดีนะนั่นซอนอา่านเยอะก็อธิบายกัาไปก็ติดอยู่มงคลอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้มงยังว่าแหละมงคลต้นๆก็บ่กฟ้องอยู่แล้ว จะขึ้นไปถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานจะถึงปริถนิพานกันได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งไม่ต้องพูดถึงอีกนี้ยากไหมล่ะต้องบอกว่าไม่ยากหรอกถ้ายากทำไมมีคนบรรลุกแล้วก็ น, นับจำนวนไม่ได้ด้วยใช่ไหมแสดงว่าไม่ยากในสยตาของเขา แต่เปนนันมายากในสายตาของเราสัตว์ผู้ไม่ใคร่หรือผู้ที่ไม่มีใจในการที่จะเดินไปเพื่อการพ้นทุกข์ทั้งนั้นอยู่ใช่ไหมเราก็แบ่งพวกไว้เราจะอยู่กลุ่มไหนกลุ่มยากต้องบอกว่าสักวันหนึ่งจะต้องให้ใช่ไหมแต่อย่าเป็นสักวันหนึ่งนานเกินไปเนี <c> ่ <oughs> บอกสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเล่นสักโอ้จะเดินไม่ไหวแล้วลำบากเลดี๋ยวที่จะจริงๆเนี่ยอนาคตภัยที่คึงสังเนีวย สักวันหนึ่งเราจะเดินไม่หวัสักวันหนึ่งเราจะคิดประคำไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะพอฟังประคำไม่รู้เรื่องสักวันหนึ่งเราจะกลายเป็นหลงหลงดื้อๆนั่นแหล ะ, นะอนาคตภัยจุงนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงก็ระดมความเพียรระดมศรัทธาระดมสติระดมสมาธิและระดมปัญญาเสียเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรททรลุเพื่อเห็นแจ้งในธรรมที่ยังไม่รู้แจ้งอย่างเนี้นะ อย่างนี้เป็นตัวปกเร้าไหยคิดอย่างเงี้ยปหวไหมแต่คิดอย่างเงี้ยเขาก็ตรึกก็ใข้ควรมาพิจารณาอย่างนี้แล้วอย่าปล่อยช่องว่างการคิดยาวที่ผ่านมาบางทีเราโอ้โหห้าวันยังไม่ได้คิดมุมนี้เลยเนี่ยเขาคิดทุกวันวันลหลายๆรอบใช่ไหมเริ่มต้นจากการคิดทุกวันหลายๆรอบลองลองไปทํางานปึกหึก็ลองเห็นโทษของของสังสารวัฏอยู่ดีแล้วขุดดินเนี่ยนะ ตกเข้าไปโอ้ยเล่นสัตว์ป่าตายไปไม่รู้เท่าไหร่ น, นี่ป่านาธิบาทเขาเล่นเลยแล้วเห็นไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในดินมากมายนะโดนจอบยนเสียพวกเราเสียบเข้าไปในีโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เลยขุดปึกนึ่งคิดดูดิเหมือนถ้าเราไปเกิดเปน็นอบายญัตว์แล้วก็ดโดนทุบหัว อ, อย่างเงี้ยน้องเนี่ย้าไปต้องคิดดูเดียวถ้าเชินนี้ไม่ได้นั่นแหละ ถ้าคิดอย่างเงี้ยเราทําที่คิในใจบอกว่าลองนั่นๆก็ลองเอาอะไรตีหตัวตัวเองบอกเหมยเจ็บเป็นกันนะขอโทษนะอย่าก็าอยู่ที่กูก็เขาเขาบอกว่าทุนที่เขาเขียนก็ยังไม่จบเลยตอนเนี้ยเราเอากสารไปคุยมันไม่รู้เรื่องเพราะมันก็บอกว่าอยู่ตรงเนี้ผูยญาติญาติมันก็อยู่ตรงนี้นนใช่ไหมไอเราก็บอกที่ททของแรมก็เรามีรถชนนี้เรามีสนสาม ใช่ไหมเราถูกต้องดามกฎหมายเราต้องสเสียไอ้สาเรเดียร์จ๋าทำไมเขาไม่ต้องเสียกันหรอกโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเองของเองของคนเองมาตั้งเขาพันธนาการนี้ทาไมแล้วนี่กรนีไปเที่ยวจับจองกันนี้บอกเขาไม่เคยมีปัญหาองี้เลยใช่ไหมบปตลาดยังไงขึ้นลงขึ้นตันไม่เคยหรอกไม่เคยไปทำเช่นนดนมันเสียเวลามันเสียเวลาสมากิน ไม่ยอมมาเลยเคยคิดยนี้เวลาเนี่นั่นบ้านมันหมดแล้วเนะนี่ยนี่ปวกเอ้ยอะไรเอ้ยนั่นบ้านมันจะเราไปพอกับ้านเราใช่มเราไม่ไ อ, อยู่มาอย่างยาวนานปู่ย่าตายายอยู่อย่างยาวนานมันก็สืบทอดมาใช่ไหมมันสืบทอดมาก็ว่าของมันดิเราเองยุ่งๆเป็ของเราอยู่ดีล่ะอันจริงๆเนะี่ยเราไปเข้าใจของเราเลยยนะใช่ไหมจังหวะ คือสัตว์ทุกประเภทเนี่ยไปอยู่ตรงไหนยึดก็เป็นของตัวเองหมดถ้าทนางศิรีมาใช่ไหมเออนางศิรีมาที่นางสามาวเดียจ้างให้ไปดูแลสามีตัวเองไม่นานเลยเนี่ยแคยนนยยแแ่สามเดือนเองยึดกันแล้วที่สามีหรอกสามเดือนยึดแล้วทั้งทั้งที่จ้างด้วยนะจ้างเลวยนะดูดูดีเนี่ยโอ้โหย แค่ยิ้มเยิ้แต่วันแรกแล้วมันก็กยิ้มมาแต่พออยู่ต่อมามันจะพบ ก, กําหนดเนี่ยโว้สดกดแล้วเอาํารมณ์ไปสาดดีสาดหน้านะสาดดีพันดมเนี่ย <Yeah. S 1> นี่เห็นไหมเนี่ยงั้นเราอยู่ถึงไหนเราไม่รู้ตัวเราว่าเรายึดตั้งแต่วันแรกแล้วพอ ร, รู้อารมณ์ไหนยึดอารมณ์นั้นชอบใจอารมณ์ไหนมันมีความยึดในอารมณ์นั้นแล้วทุกอ น, นูเห็นความชอบนั้นมันมีตัวยึดอยู่หมดเลยเราไม่เคยรู้เราอะไรยึด เราไม่เคยสังเกตเองเ่ยแต่สังเกตหน่อยเราจะรู้วทุกความคิดที่เราคิดถึงทุกอารมณ์ที่เราเราเราเราน้อมไปหาถ้ายินดีเพื่อเพลินวันไรนั้นคือความยึดติดทุกๆกอนูทุกๆเม็ดความคิดทุกๆหน่วยความคิดแต่สัตว์โลกก็มีโมหะติดคิดไม่ทันแล้วมันทัง้งทัเจียดอว่าเราเดินออกจากสิ่งนั้นยึงอะไรอาไรมากทุกชิ้นเนะ่ะ ทุกชิ้นแต่ไม่ได้วิจัยแล้วเป็นที่ตั้งของศาสนหาหมดเอเคนะั้นเลยแล้วเมื่อศาสนาเกิดณที่ใดเป็นไปไม่ได้ที่ที่ถี่มานะ่าจะไม่เกิดมันเกิดหมดเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมเชื่อฟ้องกับเราเป็น <c oughs> นั่นแหละคือคือสิ่งที่จะต้องไปนั่งวิจัยกันว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาเรายืดกันมาเพียงมากแล้ว ไอ้ตัวยึดกระก้อนโตเบ้อเลอแล้วยึดเส็จเสร็จก็ทิ้งยึดเส็จเสร็จก็ทิ้งยึดเส็จเสร็จก็ทิ้งเพราะมันจำใจต้องทิ้งมันไม่อยากทิ้งไงอ้เจอ๋วนี้เดี๋ยวนี้ได้เห็นคนหลากหลายแต่ก่อนเคยคิดมากว่าคนคนมีทรัพย์มากๆจะมีสุข คิดอย่างนั้นจริงๆครัอาจารย์คิดอย่างนั้นจริงๆคิดว่าเออเขาคงมีสุขมากกว่าเราเพราะเราอยู่ตามท้องไร่ท้องนาใช่ไหก็มอง เ, อเขาคงมีความสุขมากแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเขาเขากับทุกข์มาก แต่จริงๆปริมาณทุกเนี่ยมันจะไม่ต่างกันแต่จริงๆสรุปแล้วว่คนที่เขาไม่มีทุกก็คือคนเขาเป็นรู้เท่นั้นเองนอกนั้นทุกหมดเลยทุกหมดเลยเมื่อแต่ก่อนไม่รู้จริงๆเลยนะเพราะชีวิตก็ถูกบอกมาบอกว่าขยันเรียนนะใช่จะได้เป็นเดี่ยวคนในคนเม่อแต่ก่อนสอนง่าแบบนี้นะจะได้เป็นใหญ่เป็นโต จะได้สบายเนี่ยเราสอนแค่ น, นี้เราถูกแนะนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วมันมันเข้าใจผิดผิดมากด้วยไม่ใช่ผิดธรรมดาเมื่อไปจบปริญญาจะมีความสุขต่รับใบประกาศจะมีความสุขไปถ่ายรูปอมัน ม, มันไม่ใช่ใช่ไหมเราเข้าใจผิดหมดเลยเพราะเราไม่ได้เดินตามวิถธรรมของพุทธยิยถา เราเราที่นี่เราก็ถูกถูกขัดเกลามาอย่างการแสวงสิ่งที่มันไม่ไม่ถูก嘛ที่นั้นพระเจ้าบอกว่าการที่จะให้สัตว์ตรัสรู้ตามไม่ได้ง่ายเราสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกควาถูกกองแห่งความมืดเนะี่หุ่มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมมันทวนกระแสไอ้ธรรมที่ทวนกระแสนะั่คือพระนิพพานเนาะละเอียดมากลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนู อนุในที่นั้นก็หมายความว่าปรณีเมื่อพระผู้มีพราเจ้าทรงพิจารณาเห็นดังนี้แล้วหาไทยนั้นก็ทรงน้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่ทรงน้อมไปเพื่อจักแสดงธรรมก็คือว่าพอพิจารณาอย่างนั้นเบเสร็จแล้วก็มาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าจิตใจของพระพุทธองค์เนี่ยค้นน้อมไปในการที่จะขวนขวายน้อยจริงขวนขวายน้อยในที่นั้นก็หมายความไม่แสดงธรรมใช่ไหมพอพระองค์มองแล้วถ้าพระองค์มาแสดงธรรมเนี่ยกายก็เหนื่อย วาจาเขเหนื่อยใจเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจจะไม่เหนื่อยแล้วนะเหตุที่ไม่เหนื่อยเพราะอะไรอยู้ไหมเอาที่เราเหนื่อยใจกันทั้งหลายเนี่ยเหนื่อยเพราะอะไรอ่ะเหนื่อยเพราะราคะเหนื่อยเพราะโทสะเหนื่อยเพราะโมหะเนี่ยบางคนเคยเคยไหมอ่อนอกอ่อนใจเคยเป็นไหมล่ะไออ่อนอกอ่อนใจเนี่ยเหนื่อยใจเนี่ยคือคนมีกิเลสคนหมดกิเลสจะไม่เหนื่อยใจ เป็เหนื่อยกายกั็นเหนื่อยวาจาทั้งสองส่วนนี้เท่านั้นเนี่ยฉะนั้นคนที่ยังเหนื่อยใจทั้งหลายทุกใจทั้งหลายลำทานใจทั้งหลายเนี่ยอันนั้นคือคนมีที่เหลือพระโบรดาจ่าบอกว่าจะเป็นความลําบากของเราอะ่ะพระองค์บอกว่ากายจะลําบากวาจาก็จะลําบากจะขยับปากขึ้นบากลงอย่างที่บอกอะกายที่จะต้องเที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆก็จะโปรดเวนัยสัตว์เนี่ยเวณัยชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุก เดินดดย่ากเลยพระบาทฝ่าลองคิดดูที่ว่าพระเจ้านั้นมีพระบาทประดับไปด้วยรัตนมงคลเนี่ยร้อยแปดตรงตามฝ่าพระบาทนั้นมีตาทับมีมกรงจักใช่ไหมแล้วก็มีมงคลทั้งร้อยแปดมีรูปห อ, อกอยู่ทั้งท้าขวาเท้าซ้ายมีพระแสงห อ, อกเนี่ยหมายถึงอาไาธรรมกอะไรผลเป็นต้นเหล่านี้ยลุงคิดดูที่ต้องเหยียบย่ําไปตามที่ต่างๆมันเป็นความลําบากเพราะาก า, ายอย่างเหลือล้อน คนที่สร้างบา ร, รมีมาระดับยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากราบเนี่ยพระ อ, องค์จะต้องมาทนลําบากในการเหยียบย่าไปตามสถานที่ต่างๆที่ขรุขระเต็มไปหมดเนี่ยเนาะไม่สมควรไงถ้าพระ อ, องค์จะลําบากพระวรกายแต่ละทีแล้วควรที่จะนะควรที่จะอะไรควรที่จะสัตว์โลกนั้นได้ตัดสู้ตามหรือตัดสู้ตา ม, มง่ายๆแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยที่พระ อ, องค์สั่สมบา ร, รมีมาก็พยายามเชิญชวนตลอดใช่ไหมหวานทานเย็นหาประมาณไม่ได้ ไม่ใช่ใญ่พาหีรัทานอย่างเดียวเนี่ยอัจฉริยะประทานทานภายในก็หวานหวานลงตามากกว่าดาวบนท้องฟ้าหวานสีสากออกมาเนี่ยมากก็ภูเขาซีเนรุหมายความว่าดินเนี่ยเม็ดหินเล็กๆในภูเขาซิเนรุเนี่ยเอาเนื้อออกมาก็มากกว่าแผ่นดินเนี่ยนะที่ให้เป็นทานเอาเลือดออกมาก็มากกว่าน้ํานี่มาทั้งหมดนีหวานอย่างนั้นเพื่อจะให้สัตว์โลกได้เห็นไงว่านี่ไงให้สร้างอัจิยะใสทนทุกข์กันนะ แต่จํานวนหนึ่งเ่ยตั้งจํานวนหนึ่งขนขวายแต่จํานวนมากไม่ยอมขวนขวายตามใช่ไหมความมุ่งหมายยิงเนียคือลองดูที่ เ, เราลองลองลอ ง, ลองลดขึ้นระดมดูดิในการที่นั่นมันจะมีคนตามเราไม่เท่าไรหร่เราจะไม่เท่าไหร่หรอกลองบอกพี่บอกน้องบอกอะไรเอาละเราจะเจริญกุศลอย่างมุ่งมั่นอย่างแรงต่างจะมีคนตามเน่ยตามยอมอย่ไม่เท่าไหร่หรอก นอ่งเล่นเขาบอกโอ๊ยไปแลยทำอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่รู้มันจะมีเสียงนินทาตามมาเต็มเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามองโอ้โหอะไรขนาดนั้นนี่บ้าไปแล้วมัม้งเนี่ยอะไรเขาจะมองนี้จริงๆเลยนะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆทิศท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ า, อ พ, า, อวาพอดาริในลักขณะอย่างนี้ถ้าเรามองวัดเออแอ้นึกว่า ให้สังเกตนะถ้าเราสังเกตอักขะคาสอน น, นี่ถูกไงนะเราจะก็จะเวลาพระบรมศาสดาทรงเหยียบยาำบ่ บ, บไปตามที่ต่า ง, างสังเกตไหมว่าที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็จะหลีดจะหลบเน่ยที่เป็นตอเป็นหนามก็จะหลีดจะหลบนอกนอกถวายพุทธบูชาถ้านายคิดยังไงเลยไหมคิดว่าสถานที่แผ่นดินต่างๆเหล่านั้นไม่มีจิตใจยังรู้จักคาวะ พระบรมศาสดายังรู้จักนอบน้อมพระบรมศาสดาแต่สัตว์โลกที่มีใจทั้งหลายที่กระด้างกระเดื่องไม่นอกไม่เคารพพระบรมศาสดาหน้ากันอายุเห็นไหมมันหน้ากังเกียดแท้เอามั้ยให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะพระรัศมีที่สร้างออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยที่ประดับไปด้วยมหาปุริสราขนาดสามจองนุ้นไปยันเนี่ยสร้างด อ, อกฉับพันรังสีเนี่ย เวลาแผกมาเบเยเศษยังไม่วิ่งไปข้างหน้าก่อนเนี่ยขึ้นไปข้าบวนนาเวียนประทักษิณเออปทักษิณทำความโค่ล้พระผู้มีพระภาคเจ้าเบีเศจถึงแผลไปตามกระทบสิ่งต่างๆไม่มีใจ่ังนั้นเลยเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยแปลกหมท่านต้องการอัตถะตรงนี้ต้องการให้เราท่านทั้งหลายหนึรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้น ว่าเรานั้นกําลังทําอะไรอยู่แล้วเขารบพระเจ้ากัจริงหรือไม่กายวรรณนาวจีวรนน า, นาแล้วมโนวรนน า, นาชัดไหมเห็นไหมถ้าตรงเนี้ยเราจะได้เห็นจะเห็นว่าพื้นแผ่นดินนะน้ำไฟดินลมทั้งหลายเขากพลบพระเจ้าทั้งหมดเถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็น ตรงนี้ยว่าพระบรมาศาสดาไม่น้องมาไทยเพื่อจักแสดงธรรมครั้งนั้นสามบดีพรมทราบปริวิตรของพระพบรมาศาสดาแล้วก็ได้มีความดมดกว่าท่านผู้จเจริญทั้งหลายโลกจะฉิบหายแล้วท่านใช้ศัพท์นี้จริงนะมาช้เยอะเนี่ยเติมหใหญ่ยิมหาใหญ่ท่านผู้จเจริญทั้งหลายโลกจะพินั่นเนาะคือตรงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากคําสอนจะเข้าใจจะเข้าใจที่บอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่าความปริวิตกบังเกิดขึ้นเนี่ยนะความปริวิตกทางใจที่พระบรมศาสดาเคยสั่งสมมายอย่างยาวนานเนีเกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไรตอบว่าเกิดขึ้นในสั ป, ปดาห์ที่แปดที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงเคี้ยวไม้ชําระฟันชิ้นสมอเป็นโอสถที่เท้าสกัดจอมเทพนํามาถวายที่โคนไม้เกด เมื่อเคี้ยวเบ็ดเสร็จแล้วก็ทรงใช้ไม้ ช, ชลาละฟันแลกชิ้นสมอเป็นต้นนะนะแล้วก็ทรงบ้วนพระโอษฐ์เสร็จแล้วสเสวยบินธบาดของตะปุ่สใสและพลิกกะเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วแปลว่าเลยสัปดาห์ที่เจ็ดใช่ไหมพระเจ้าเสวยมืดทีุกอยู่เท่าไหร่เจ็ดสัปดาห์เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้า 7, 7, 4, 4, วัน น, นี้ครบแล้วนะเนี่ยที่พระองค์มาบริวิตบตกเนี่ยกลับมาที่ต้นอัญชัปารานีโคตอัญชัปารานีโคตที่เจอกับพราหมณ์ ที่ร้องหิงหิงเนี่ยร้องหิงหิงที่โกรธพูดยาวตอนนั้นจำได้ไหมศึกษาพุทธวจนะเคยศึกษาไม้มล่ะนี่แหละตอนนั้ น, นครูว่าตัวเองเป็นพรามตอนนั้นได้บรรลุแล้วคือได้ตัศรูอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมาแล้วก็พิจารณาตัสรูปัจจัยาการทั้งเบ็ดเสร็จหมดแล้วปัจจัยาการสิบสองใช่ไหมวิชาปัจจัยสังขาราเป็นต้น ถามว่าอริยศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไหบาลีท่านใช้คาว่าคำพีโรคำพีระพาวลึกซึ้งนี่ก็จึงเรียกยังไงนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกคำพีเนี่ยคำพีระแปลว่าอะไรลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยพ ย, ยัญชนะเขาจึงเรียกว่าคำพีเขาแยกับว่าคำพีไบเบิลหมือนลึกซึ้งอะไรเราเนี่ย ยังไม่ควรเรียกไม่ควรไม่ควรเรียกคําพีอหนังสือลึกซึ้งอะไรกน็นั่งพิกใช่ไหมฉบับเดิมจริงๆอ่ะก็ยังสูสอนอยู่กี่คำใช่ไหมย้ะเดินไปไม่ถึงชั่วโมงก็อ่านจบไ้ามีความลกซึ้งอะไรเลยคนเดก็กตัวโลกเนี่ยใช่ไหมไม่มีวามลึซึ้งอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คําพีหรอกเขาเล่นหนังสืออ่านเล่น แช่ไมคอ่านเล่จริงๆเลยนะแต่อย่างว่าแค่นั้นก็โอ้โหสัตว์ลึกซึ้งของเขาเลยอ่าจานอ่านด้วยแล้วมลึกซึ้งอะไรเลยต้องอย่างนี้สิต้องมาานดูสิต้องยีบอ่านดูทีเนี่ยนี่ลึกซึ้งนี่คัมภีวเอนั่นแหละอ่านแล้วเราจะรู้เลยโอ้โหมึนเลยใช่ไหมนั่นแหละอ่านแล้วมึนเลยเอ๊ะมีตรงไหนเนี่ยว่างั้นอย่างงี้ดีลึกซึ้ง ตัดสรู้ได้ยากเนาะตัดลึกึงรักษณนี้สัตว์ตัสรูต้ตามได้ยากคือบรบรลุยากบรรลุอเลียสัตย์ยากคือจะเห็นทุกล่าสมุทัยตอนนี้รทให้แจ้งแล้วก็ประชุมมักแปดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็นได้ยากคือเห็นได้โดยลําบากมากอันใครๆไม่อาจจะเห็นได้โดยสะดวกเพราะลึกซึ้งเชื่อว่ารู้ตามได้ยากไหมรู้ตามได้ยากคือยังรู้ได้โดยลําบากเพราะเห็นได้โดยยากใครๆไม่อาจจะยังรู้ได้สะดวกสงบ สงมบมาจาคำว่าสันโตเนี่ยแต่กาดับสนิทกับือพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สงบและดับสนิทประนี ด, ด้วยแล้วดื่มดำไม่รู้จะอิไ่ไม่รู้จะอิ่ท่านกล่าวถึงโลอุตระธรรมที่โลคุตระธรรมนีแนมัตสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยท่านใช้คำว่าอตากาวะอตากา ว, วาะเจโรก็แปลว่าึข้าดขนนีไม่ได้ ไม่สามารถจะเดาทิศเท่าทางได้หรอกเพราะไม่ได้ไปทําที่เป็นไปกับการตึกเขียนต้องแยกให้ออกนั้นเนี่ยหมายถึงตึกตึกตึกไปมองไอ้เป็นยังไงนะเนี่ยนี่พานจะมีลักษณะยังไงมรรคสีจะเป็นลักษณะยังไงเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าใช้ส ม, มาวิตกข์เนี่ยเพื่อจะละกรรมวิตกข์ไปถึงได้ลองพูดอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยคนก็เลยบอกเลยห้ามตึกห้ามคิดมันยุ่งไม่ใช่ธรรมดาเนี่แล้วก็ กรณีที่บอกว่าจะพึงคน้นพึงอย่างลงโดยการไม่ตรึกเนะ่ยไม่ได้ทีนี้เห็นได้ด้วยอะไรเห็นได้ด้วยญาณ น, นะพระนิพพานาเนี่ยเห็นได้ด้วยญาณแต่คือปัญญาในโสดา mm hmm. ปันิมากสกาธาคามีมากอนาคามีมากแล้วก็อธธกัตถามักจะอย่างลงเห็นได้ได้เท่านั้นทีนี้ปัญหาคือว่าให้สังเกตดูนะปัญญาเนี่ยที่จะอย่างเห็นพระนิพพานาได้เนะี่ยปัญญา น, นั้นจะต้องอย่างเห็นอะไรก่อน ปัญญาในขั้นต้นก็คือเห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาในขั้นต้นๆเนี่ยเห็นโทษของรูปขันธ์เห็นโทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าปัญญาในขั้นของเกี่ยวกับนเรื่องการเห็นโทษเนี่ย น, นะเห็นด้วยความเป็นนามเป็นรูปเปิดเสร็จแล้วเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นห น, น้าตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในที่จริงต้องเห็นโทษเห็นว่ารูปนามกันหน้าตาของจมูกเล่นกายใจเป็นต้นเป็นภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นเรื่องแบี้ใจถึงจะน้อมไปเพื่อการเห็นพานิพานเพื่อออกจริงๆ ถ้าตลาดได้ตลาดหนึ่งเรายังมองว่าตาหูจมูกเล่นกายใจดีอยู่ไม่ไม่มีทางไม่มีทางใจอยากออกจะอยากออกได้ไงใช่ไหมโอ้ตอนนี้เราแก่แล้วเดี๋ยวเราตาไปแล้วเราไปเกิดใหม่เดี๋ยวได้ตาหูจมูกเล่นกายใจใหม่แล้วคงดีแล้วอแต่คิดยู่กันอยู่แค่จริงๆนะคิดอยู่แค่ตาหูจมูกเล่นกายใจแค่นี้สัตว์โลกไม่เคยคิดอยากออกใช่ไหมเอาคคิดอยากออกก่อนนี่นะเจ๊เพิ่งจะคิดว่าเห็นว่า การมีตาหูจมูกล่างกายใจเป็นความเจ็บปวดเป็นโทษที่เราจะต้องดูแลต้องบริหารอะไรต่างๆให้เพืเกศดูลเวลาศึกษาในสถิปติฐานที่ท่านบอกคัตชนโตวาคัตฉามีติปชาณนาทีนี่พราะมีตาหูจมูกร่างกายใจในกะันเดินเนี่ยทีโตวาทีโตมีติปชานาทีท่านบอกให้รู้ตัวเนี้ยว่าโอการที่เราจะต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอน ถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นการใจเราก็มีการเดินการยืนการนั่งการนอนในรายละเอียดทีการก้าวไปถอยกลับการแลการเหลวคู่เข้าเหยียดออกใช่ไหมกินดื่มเคี้ยวลิ้นไถยอุจลาระภาษาว่าหมผ้าทั้งหลายใช่ไหมการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลักการตื่นการพูดการนิ่งใช่ไหมอันนี้มันเกี่ยวกับการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราต้องมาทรมาอยินนี้ยินจริงยันยัน ถ้าเราไม่มีตาหูมจมูกเล่นกายใจเสียเราจะต้องมาลําบากลําบนกินกินทำไมไอ้ทีการมีตาหูมจมูกเล่นกายใจเนะี่ยเขาวิจัยไงเขาวิจัยนั่งว่าเออมันดีจริงไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกดีไม่จริงใช่ไหมเราก็นั่งวิจัยเลยพระเจ้าว่ามันมีอาัศาธาอย่างนี้นะมีอาทีนาวาอย่างนี้นะนี่คือส่วนดีนะนี่ส่วนเสียนะพอพิจรารณาทั้งสองส่วนอ๋อในส่วนจริงมันก็เป็นไปเพื่อ ไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นหน้านตาเป็นต้นพอเขาพิจารณาในรักษณไอย่างนี้ใจก็ น, น้อมออกนี้เป็นต้นฉะนั้นคําว่าพระนิพพานเนี่ยละเอียดหรือโลกุตรธรรมทั้งละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตมาจากคาว่าปัณฑิตตะเวธนิโยปัณฑิตตเวธนิโยเนี่ยอันบัณฑิตผู้ปฏิบัติโดยชอบเท่านั้นถึงจะรู้ชอบในที่นั้นอชอบอยังไงบัณฑิตที่ปฏิบัติโดยชอบเนี่ย บัณฑิตนั้นก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติโดยชอบก็หมายถาึงว่ากายกรรมวิีกรรมเลมโนกรรมนั้นต้องเป็นสุจริตใช่ไหมถึงบอกปฏิบัติโดยชอบทีนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปริตเหล่านี้ยอันนี้เขาเรียกสมัมมามรรคนี่เขาเรียกปฏิบัติชอบถ้ามิจฉามรรคนี่เขาเรียกปฏิบัติไม่ชอบืก็ปฏิบัติผิดแล้วก็มาไลด่ดูดีจากเบื้องต้นอย่าลังไล่ฐานของมรรคดูดิ อาศีลสมาธิปัญญานี่ชอบถ้าศีลก็ไม่มีสมาธิก็ปัญญา ม, มีไม่ก็ปฏิบัติไม่ชอบอย่างเนี้นะก็ใิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นอ๋อไอ้กรณีที่บอกว่ารู้ได้เฉพาะบัณฑิตหมายความว่าปัณฑิตตะเวทนโยก็เพราบว่าอ๋ออั น, ตตนบุคคลผู้เป็นบัณฑิตได้ฟังว่าธรรมของพระเจ้าเป็นพระหูสูตรนะเป็นสายบุรุษทั้งหลายเหล่านี้ได้อบรมธรรมธรรมของพระบรมศาสดาเท่านั้นจึงรู้คําว่า ยังยินดีด้วยอะไรนี่หมายถึงพวกสัตว์ที่ยินดีด้วยอะไรนะมาจากคาว่าอารยารามาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในไหนติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน่จริง้เนไหมสัตว์เนี่ยติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเนี่ยไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็คือสีสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสนิ่มๆ อันนี้เขาเรียกว่าติดอยู่ในวัตถุกรรมไอนน้ตัวกรมาคุณทั้งหลายเนี่ยนะทำไมก็จึงเรียกกามมาคุณรู้ไหมการมมา น, นี่กรรมม น, นี่คือความใครนะ่คุณณในเปลว่าเครื่องผูกแต่ก่อนนี้เคยถามฟังธรรม ท, ทีแรกนะฟังทีแรกมีพระเถระเริ่มหนึ่งตอนนั้นนะที่ได้ฟังธรรมครั้งแรกเลยนะที่มีพระมานั่งบรรยาย ไปนั่งฟังว่าปีสองพันหร้อยี่สิบสี่ปลายปียังจำได้เลยไปฟังที่กรุงเทพมีพระดังอยู่รปหนึ่งท่านมรณะภาพไปแล้วท่านมาพูดเรื่องกามมาคุณเนี่กรมาคุณไอเรามองเนี่มันคําว่ามันเป็นคุณหรือเนี่ยยังไงตอนนั้ใจมันก็ยังไงเพราะท่านบรรยายบนายไปไปเสร็จเขาก็ปล่อยขยักขาแล้วอนามาเนี่ยเป็นคนยกมือถามเป็นคนแรกเลยมันนั่งต้องอยากจฟังมือยากบรรลุ ถามบอกว่าอาท่านอาจารย์ครับท่านดังมากครับลวงเนี่ยทาไมก็ายังเรียกว่ากลางกาคุณท่านก็หัวเราะคืๆคือคืออแล้วท่านไม่ตอบเนี่ยท่านบอกเอามันเป็ น, ม, น, ป น, ม, น, น, นมันเป็นคุณไม่ได้ท่านพูดแค่นั้นเลยท่านบองเป็นคุณไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอ้มมันมันเป็นคุณที่ไหนมันเป็นโทษเองใช่ไหมเพรามันทําให้สัตว์ติดอยู่ท่านก็เลยหวลัวเราะเอาไม่ตอบเนี่ยนะ แล้วติดจะไอ้ทําไมยิงนีรกรรมาคุณทําไมยิงนีรกรรมมาคุณเนี่ยที่ไหนได้คุณนะแมว เ, เครื่องพูดกว่าจะมารู้เนะี่ยเป็นสิบปีเนี่ยแค่ดูศัพท์เดียวเนี่ยกว่าจะรู้อ่ะคุณนะศัพท์เดียวเนี่ยหาไม่ได้สิบปีปอธิบายคนอื่นอธิบายไปงั้นแหละแต่ใใจเรารู้ไอ้ทำไมต้องนิรกรรมาคุณเนาะมาศัพต่างๆได้อัธถาักดิ์เราเข้าไม่ถึง เป็นเครื่องผูกจริงๆนะคุณนะสอนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมัติคุณวิวัติญาณอนาทัศนะคุณไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรพ่อคูนไม่ใช่เป็นคุณแก่สัตว์ใช่ไหมแต่จริงอยู่เป็นอาณาสาทของสัตว์ได้จริงๆสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เห็นโทษเนี่ยก็าเถียงคันว่ากรรมคุณเป็นคุณของเขาแต่แท้จริงการมคุณเป็นเครื่องผูกเอาผูกไหมเป็นโซ่ใหญ่เป็นโซ่เลยไหม ผูกจิตคองสัตว์โลกให้ติดอยู่ไหมล่ะห่วงบ้านไหมล่ะห่วงลูกไหมล่ะห่วงตัวเองไหมห่วงญาติมิตรไหมล่ะห่วงทรัพย์ไหมเป็นเครื่องผูกไหมเส้นเบรอร์เลยกรรมคุณเนี่ยเส้นอย่างหนาเลยแล้วอย่างยาวนานแล้วผูกมาแล้วผูกมาอย่างยาวนานมากในสังสารวัตรเลยนะผูกแล้วเราแกะเครื่อนผูกนี้ไม่ได้เลยและในสังสารวัตรที่ผ่านมาอย่างยาวนานหาเบื้องต้นแล้วที่สุดไม่ได้เนี่ยนะ ในอดีตก่อนนะหาเบื้องต้นไม่พบนี่นะยังไม่เคยตัดเชือกผูกคือกามาคุณ น, นี้ได้สักเส้นเลยแปลว่าเราเนี่ยถ้าเรามองภาพนะลองจินตนาการดนะูที่ว่าทุกครั้งที่มีเราเราเกิดปัญหาเนะยเกิดความโลภเนะี่ยเราใช้เครื่องผูกผูกคอตัวเองแล้วก็มัดล่ามไว้กับสิ่งนะั้นลองดูปริมาณที่ผูกแล้วลองหลับตาดูที่มันจะมีอะไรติดตัวเราเต็มไปหมดเลยไหม มันเป็นสัตว์ประหลาดมากที่มีอะไรมัดโยองคอตัวเองคอมัดตัวตัวเองแล้วไปผูกติดอะไรนุงนางเต็มไปหมดเนะแล้วยังไม่เคยแก้สักเส้นเลยยังเลยแล้วยาวนานมากกรณีที่เครื่องผูกต่างๆเหล่านั้นที่มันผูกติดเยอะอยู่เนี่ยน่ากลัวไหมล่ะนั่นแหละแล้วต่อไปในอนาคตนะถ้าเราไม่ไม่มีใจในการที่จะน้อมออกจากเครื่องผูกนะ มันก็จะตามแล้วมันก็จะกลับไปผูกกันอีกมันจะกลับไปผูกกันอีกนี่จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นท่านถึงบอกว่าอาระยะอาระยะรามาเพราะยินดีด้วยอะไรเหล่านะั้นถามบอกว่าติดอยู่ในการมาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัตว์แบบนั้นก็เรียกว่าอาระยะเนี่ยทิปัญหาพูดเรื่องปัญหาใช่ไหม เอาการมาตัณหานับทีหนึ่งเพราะว่าตัณหานับอีกหนึ่งแล้วก็วิภาวะตัณหานับอี่หนึ่งจะไม่ได้ตัณหาสามกรรมมาตัณหาเนี่ยแยกเป็นหกได้ไหมยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์นี่เห็นไหมแยกเป็นหกเพราะว่าตัณหาความยินดีพอใจในภพ ก, ก็แยกเป็นหกได้ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหมแล้วก็ถึงธรรมอารมณ์แต่นี่เกิดร่วมกับสัสจะทิฏฐิเอาเลสิ กามาตัญหาเป็นหกเพราะว่าตัญหาอีกหกเป็นเท่าไหร่แล้วหกสองเท่าไหร่สิบสองใช่ไหมวิภาวะตัญหาอ้ตันหาที่เกิดร่วมกันกันกบความเห็นว่าขาดศูนย์อีกหกยินดีพอใจในรูปเสียงกินรสสัมผัสเหมือนกันได้ทำอารมณ์เหมือนกัน น, ก น, นี่หกเบดเสร็จก็คือว่าเท่าไหร่เนี่ยหกหกหกสามครั้งเป็นเท่าไหร่สิบแปดใช่ม yes สรุปแล้18เนี่ยนี่18นี่ปัจจุบันไหม